ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดในหัวข้อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัตเทศนาแก่มุชนชาวกรุ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่นิคมกรรมมาสธรรมะณที่นั้นพระองค์ได้ตัดสติปัฏฐานทั้งปีประการคือหนึ่งกายานุปัฏนาสติปัฏฐานสองเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานสาจิตานุปัฏนาสติปัฏฐานสี่ธรมมานุปัฏนาสติปัฏฐานฉะนั้น มหาสติปัฏฐานี้หมายถึงสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานอันใหญ่อันสติย่อมเป็นธรรมอย่างสำคัญจัดเป็นองค์หนึ่งในมรรคแปดเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี้มีอารมณ์เป็นเครื่องระลึกสี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นในอุเทศของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านจึงตัดไปว่าเอกายโนอายังพิขเวมัคโคซึ่งแปลว่าดูกนพิสุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่ไปอันเอกหรือว่า ทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่นี้ท่านก็แก้แก้อัดแห่งเอากายนมัคไวว่าหนึ่งเป็นทางที่ไปของบุคคลผู้เดียวสองเป็นทางที่ไปของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวสาม เป็นทางที่ไปที่เดียวสี่เป็นทางที่ไปสู่ที่แห่งเดียวอันนี้เป็นเป็นอัดแห่งเอกายนมัคที่ท่านท่านแก้ไว้แล้วก็ก่อนที่จะทราบความต่อไปก็มารู้พุทธประสงค์ที่พระองค์ได้ตัดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เสียก่อนคืนหนึ่ง อัตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดวิเศษแห่งสัตว์ทั้งหลายสองโสกะปริเทวานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเสียสามทุกขโทมนัสสานังอัฏฐังขงมายะเพื่ออัศ ด, ดงดับไปแห่งเหล่าทุกขและโทมนัสี่ ยายัตะอธิคมายะเพื่อบรร ล, ลุธรรมที่ถูกห้านิพานตะสัตจิกะกิริยายะเพื่อทำพระนิพานให้แจ้งทั้งห้าข้อนี้เป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ได้ตัดถึงพระสูตรนี้ทีนี้ก็มาพูดถึงอารมณ์นะมาพูดถึงอารมณ์สามอย่าง ย่อมเป็นสำคัญจำต้องมีสติรู้เท่าทันต่ออารมณ์นั้นไม่พลังเผลอไม่พลังเผลอเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็รู้เท่าทันเสมอฉะนั้นบุคคลผู้มีบุคคลผู้มีจริตต่างๆกันเป็นสี่พวกคือหนึ่งจำพวกมีตัณหาจริตอย่างอ่อนย่อมติดอยู่ในกาย สองจำพวกมีตัณหาจริตอย่างกล้าย่อมติดอยู่ในเวทนาสามจำพวกมีทิฏฐิจริตอย่างอ่อนย่อมติดอยู่ในจิตสี่จำพวกมีทิฏฐิอย่างแรงกล้าย่อมติดอยู่ในธรรมคนที่ติดอยู่ในกายมุ่งกายเป็นใหญ่ย่อมตกแต่งกายให้สวยงาม ใหมัยนิยมอยู่เสมอตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยอย่างอื่นก็ให้หนักไปในทางข้างสวยงามเกลียดของสกปรกความเร็วซามพึงเห็นเช่นคนที่แต่งกายด้วยเครื่องประดับอันงามตาเป็นตัวอย่างในคนที่ติดในเวทนาคือย่อมหนักในเวทนามุ่งแต่สุขเวทนาเป็นใหญ่เช่นคนมักคิดไปว่าการทํานั้นเป็นการลําบากให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ สุขแล้วไม่ต้องการเช่นนั้นทําอะไรก็มุ่งความประดับประดาตกแต่งมุ่งความสะดวกของตนเป็นสำคัญส่วนคนที่ติดในจิตก็คือย่อมมุ่งจิตเป็นใหญ่หนักอยู่ในจิตคือคนที่นึกคิดเห็นว่าจิตเท่านั้นเป็นใหญ่ถ้าไม่ถูกรบกวนให้ขุนเคลืองก็พอใจส่วนคนที่ติดในธรรมก็ย่อมหนักอยู่ในธรรมมีความมุ่งธรรมเป็นหลักสาคัญดังเห็นเช่นคนที่ ที่เราจะเห็นว่าทําที่เกิดกับจิตนั่นแลสสำคัญถ้าเป็นถ้าเป็นที่ชอบก็เพลิดเพลินพอใจถ้าไม่ชอบจิต ก, ก็เดือดร้อนขุนมัวจิต ก, ก็เดือดร้อนขุนมัวฉะนั้นบุคคลทุกประเภทถ้ายังไม่ได้สมดังความประสงค์ก็เฝ้าแต่ตะเกียก ต, ตะกายพยายามยถ้าไม่ได้ก็หลงติดใจใไปฝัน อถ้าเสื่อมศูนย์ก็แปรไปก็เดือดร้อนใจอะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้ประพฤติตนให้เป็นสุขและสอนให้มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นแต่การที่จะประพฤติตนให้เป็นสุขได้ต้องรู้จักความจริงของสิ่งทั้งหลายมิเช่นนั้นก็จะไม่ได้ประสบสุขอันแท้จริงหรือเป็นจะได้สุขเทียมไม่ได้เป็นสุขแท้ไม่ได้เป็นสุขแท้ะแทฉะนั้น อาธรรมที่เป็นอุปกรณ์แก่มาสติปัฏฐานก็มีสามอย่างนะหมายถึงว่าอุปกรณ์ในการที่จะบำเพ็ญสติปัฏฐานก็คือหนึ่งอาตาปีต้องมีความเพียรนะต้องมีความเพียรสองสัมปชัช ญ, ญะคือมีความรู้ตัวอยู่เสมอสามสติมีความระลึกได้นะมีความระลึกได้แล้วก็ธรรมที่ที่ต้องละนะ ไม่ต้องละไม่ควรนํามาประพฤตินั่นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งอภิชาความยินดีสองโทมนัสความยินร้ายนะอันนี้เราจะต้องละออกไปนะทราบว่าเราไม่ละแล้วก็จะทําให้เราติดแล้วก็เป็นเหตุที่จะขัดขวางทําให้เราไม่สามารถจะบําเพ็ญมหาสติปัฏฐานได้โดยท่องแท้ทีนี้เราก็มาดูว่าในหลักพิจารณาของ มหาสติปัฏฐานในข้อหนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายานุปัสสนานี้แยกออกเป็น14แบบหรือว่า14หัวข้อน14ะ14หัวข้อในหัวข้อที่หนึ่งก็คืออานาปานาปภ ะ, ะกำหนดรูลมหายใจเข้าออกอายาวสั้นหยาบละเอียดเป็นต้นประการที่สองอิริยาภ ะ, ะปภะ กำหนดรู้อิริยาบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนสาสัมปชัญญะปัปพะพึงกำหนดรู้รอบคอบในวิการของกายที่ก้าวไปถอยกลับทุกขณะวิการของกายมิได้หลงลืมเรียกว่ามีสติทุกอิริยบทหรือมีความรู้สึกตัวอยู่ทุกอิริยบทสี่ปฏิกูละปับพะ กำหนดพิจารณากายของตนและผู้อื่นโดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดห้าธาตุปัพพะกำหนดพิจารณากายของตนและผู้อื่นโดยเป็นธาตุสี่คือแยกออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม 6. กนวสีวัีกาปัพพะกำหนดพิจารณาอสุภะเก้าอย่างคือหนึ่งากศพที่เขาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสามวันน้ำเหลืองจะไหลอ่า อยู่เป็นนิดแล้วก็ข้อสองซากศพที่สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นกัดกินอยู่นะมันจะดูแล้วมันเรียราาได้หมดข้อสามซากศพที่เป็นร่างกระดูกมีเนื้อเลือดและเส้นเอ็นนัดรึงอยู่ข้อหอ้าข้อสี่ซากศพที่เป็นร่างกระดูกอันเปื้อนด้วยเลือดแต่ไม่มีเนื้อเอกลับมีเส้นเอ็นนัดรึงอยู่ข้อที่ห้า ซากศพที่เป็นร่างกระดูกอันไม่มีเลือดเนื้อแต่ยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ข้อที่หกซากศพที่เป็นร่างกระดูกที่เรียราดไปอยู่ในทิศ ต, ต่างๆกระจัดกระจายไปข้อที่เจ็ดซากศพที่เป็นร่างกระดูกมีสีขาวเปียบด้วยสัง mm. ข้อที่แปดซากศพที่เป็นร่างกระดูก เ, เรียราดเป็นกองกอง อทิ้งอยู่เป็นปีๆขึ้นไปนะข้อที่เก้าซากศพที่เป็นร่างกระดูกที่ละเอียดกนอยู่แล้วนะละเอียดกลนอยู่แล้วนี่อันนี้เราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะทีนี้ก็มาดูในในข้อที่สองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็แยกโดยประเภทในหลักการพิจารณาก็มีอยู่เก้าข้อด้วยกัน คืนหนึ่งคืนหนึ่งเสวยเมื่อเสวยสุขก็รู้ว่าเสวยสุขเมื่อเสวยสุขก็รู้ว่าเสวยสุขข้อที่สองเมื่อเสวยทุกข์ก็รู้ว่าเสวยทุกข์ข้อที่สามเมื่อเสวยไม่สุขไม่เมื่อเสวยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ข้อที่สี่เมื่อเสวยสุขทั้งที่อิงอาม묻 อมิตรก็รู้ว่าเสวยสุขอิงอมิตรข้อที่ห้าเมื่อเสวยสุขไม่อิงอมิตรก็รู้ว่าอาสุขไม่อิงอมิตรคําว่าอามิตรนี้หมายถึงว่าเยื่อนะว่าเยือ่อเยื่อที่เยื่อในที่นี้ก็คือกามาคุณหนะ้ารูปเสียงอกลิ่นรสการสัมผัสอหรือแม้แต่ว่าพวกวัตถุต่างๆข้อที่หกเมื่อเสวยสุขทั้งที่มีอมิตรก็รู้ว่าเสวยสุขทั้งที่มีอมิตร ข้อที ки, ่ห้าขอประทานโทษเมื่อสวยสุขไม่มีอมิตรก็รู้ว่าสวยสุขไม่มีอมิตรข้อที่หกเมื่อเสวยสุขมีอมิตรก็รู้ว่าสุขเมื่อสวยทุกขข้อที่หกเมื่อเสวยทุกขมีอมิตรก็รู้ว่าเสวยทุกขมีอมิตรข้อที่เจ็ดเมื่อเสวยทุกขไม่มีอมิตรก็รู้ว่าสวยทุกไม่มีอมิตรข้อที่แปดเมื่อเสวยทุกขอเมื่อเสวยความ ไม่สุขไม่ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งที่มีอามิสก็รู้ว่าเสวยอความไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งที่มีอามิตรข้อที่เก้าเมื่อเสวยไม่อความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีอามิตรก็รู้ว่าเสวยความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีอามิตรอันนี่เป็นเป็นการพิจารณาเวทนาน นุปัสนาสติปัฏฐานโดยแยกออกเป็นประเภทเก้าข้อทีนี้มาในข้อสามก็คือจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานาการพิจารณาจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นท่านให้เราพิจารณาแยกออกโดยประเภทเป็นสิบหกข้อคือหนึ่งจิตประกอบด้วยราคะก็รู้ว่าจิตประกอบด้วยราคะสองจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 3. จิตประกอบด้วยโทสะก็รู้ว่าจิตประกอบด้วยโทสะสี่จิตป pues er ราศจากโทสะก็ ona, <nar>, er um simple, รู้ว่าจิตปราศจากโทสะห้าจิตประกอบด้วยโมหะก็รู้ว่าจิตประกอบด้วยโมหะหกจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะเจ็ดจิตหดถูกก็รู้ว่าจิตหดถู่ปดจิตฟุนะ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเก้าจิตเป็นมหระคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหระคต จิตไม่เป็นหมรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตสิบเอ็ดจิตยังยังมีจิตเป็นเป็นอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าข้อสิบสองจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าข้อที่สิบสามจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นข้อสิบสี่จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น ข้อสิบห้าจิตพ้นวิเศษแล้วก็รู้ว่าจิตพ้นวิเศษแล้วข้อสิบหกจิตยังไม่พ้นวิเศษก็รู้ว่าจิตยังไม่พ้นวิเศษนี่คือการพิจารณาจิตานุปัสสนสติปัฏฐานมาในข้อที่สี่ธรรมานุธรรมสติปัฏฐานอันนี้ได้ให้พิจารณาโดยข้อแบ่งออกเป็นสามสามข้อเรียกว่าโดยบับเป็นห้าขอประธานโทษอ่านโดยบับก็เป็นห้าบับ หรือห้าข้อนั่นเองคือหนึ่งอนิวรณาปรพระกําหนดรู้นิวรห้าคือการมาฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดอาคาดมาร้ายถีนมิท ะ, ะความง่วงเหงาเหานอนอุทธะกุกุ จ, จะความพุ้งสร้างลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ในจิตหรือไม่มี ที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดที่เกิดขึ้นแล้วละได้ด้วยประการใดที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นนี่เป็นลักษณะในการพิจารณานิวรณะปับพระมาในข้อที่สองขันธะปับพระก็คือกำหนดรู้ขันธ์ทั้งห้าคืออย่างนี้เป็นรูปอย่างนี้ความเกิดของรูปอย่างนี้ความดับของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพึงทราบโดยในนี้เหมือนกันข้อที่สามอายตนะกําหนดรู้อายตนะคือรู้จักตานะรู้จักตารู้จักรูปนะรู้จักสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปนะเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองมากระทบกันเข้านะมากระทบกันเข้าหรือมาสัมผัสกันรู้จักความบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิด รู้จากการละสังโยชนย์ที่เกิดแล้วรู้จักความไม่บังเกิดขึ้นต่อไปแห่งสังโยชน์ที่เกิดแล้วรู้จักความไม่บังเกิดขึ้นต่อไปแห่งสังโยชน์ที่ละแล้วอายตนะอื่นนอกนี้พึงเทียบโดยในนี้ข้อที่สี่พระชังขปรพระกำหนดรู้ด้วยพระชงเจ็ดคือเมื่อ มีสตินะคือต้องมีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบกขานี่คือโพชชงเจ็ดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจิตก็รู้ว่ามีอยู่เมื่อโพชชงเจ็ดไม่มีก็รู้ว่าไม่มีรู้ความเกิดแห่งโพธชงเจ็ดที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ความบริบูรณ์แห่งโพธชงเจ็ดที่เกิดขึ้นแล้วมาในข้อที่ห้าสัจจะปัปพะกาหนดรู้ริยสัจทั้งสี่คือ ทุกขสัตว์จำแนกออกเป็นสิบสองคือชาติชาติชรามรณะอกอประทานโทษชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายะสักพูดง่ายๆก็คือว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ความสั่าครวนเป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ความเสียใจเป็นทุกข์ความแห้งแร้งความตรอมใจก็เป็นทุกขอุปายะสัก ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปราถนาไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่นย่อทั้งหมดก็คื อ, อทุกข์ในการยึดมั่นในขันธะนั่นเองฉะนั้นทุกขะสมุทยัทยสัจจาแนกออกเป็นสามก็คือตัณหาสามคือการมตัณหาอยากในการมเพราว่าตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากในพบวิภวะตัณหา ก็คืออยากไม่มีอยากไม่เป็นหรืออยากออกจากภพตัณหานั้นย่อมเกิดขึ้นและตั้งอยู่ที่เปียรูปสาตรูปนะตั้งอยู่ที่เปียรูปสาตรูปในเปียรูปสาตรูปก็คือตั้งแต่หมวลที่หนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในมวลที่สองก็คือรูปเสียงกลิ่นนวดผดถัพทะรำมารมหมวดที่สามก็คือจักกุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณ คานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณในหมวดที่สี่ก็คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสหมวดที่ห้าจักขุสัมผัสสัจชาเวทนาโสตะสัมผัสสัจชาเวทนาคานะสัมผัสสัจชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัจชาเวทนากายยะสัมผัสสัจชาเวทนามโนสัมผัสสัจชาเวทนาหมวดที่หกคือรูปรูปสัญญา สัทธ e สัญญาคันธสัญญารสสัญญาโปรดทพสัญญาธรรมสัญญาหมวดที่เจ็ดก็คือรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโปรดทพสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาหมวดที่แปดก็คือรูปตันหาสัทธตันหาคันธตันหารสตันหาโปรดทพตันหาธรรมตันหาหมู่ที่เก้าก็คือ อารมณวิจตกหรือว่ารูปวิตต์สัตววิจตกคันธวิตต์ระสวิตตกโพธิภพวิตตกธรรมวิจตกออันนี้นักเรียนนักศึกษานแลาท่านสาธุชนทั้งหลายอ่าที่จะมาได้ได้พูดเป็นหมวดหมวดไปนะอย่างเช่นหมวดที่เก้าที่บอกว่ารูปวิตตกสัตววิจตกคันธวิตตกอย่างเงี้ยไอ้คำว่าวิจตกก็คือตรึกหมายถึงว่าตึกในรูปตึกในเสียงตึกในกลิ่นเกิดในรูหรือในการสัมผัสหรือนใกคิดในธรรมารมณ์ต่างต่างยหมวดที่สิบก็บอกว่า รู้ปวิจาร์สัทธวิจารคันทวิจารณ์รสะวิจารณ์โตภตปัปภวิจารธรรมวิจารณ์ก็หมายถึงว่าการตริดตรองพิจารณารูปาติดตรองพิจารณาเสียงกลิ่นรสโตรภตปัปภธรมรมารมณ์ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาได้ฟังมาก็พอจะเข้าใจถึงแม้ว่าในหมวดนี้จะยากนะแต่ก็ฟังบ่อยๆเข้าก็จะทําให้เข้าใจได้และก็ในใน ต่อไปก็คือว่าทุกขะนิโรธสัตว์ก็คือจำแนกที่ดับของตัณหาไว้ก็เป็นสิบหมวดอีกเหมือนกันคือเปียรูปสาตารูปเหมือนข้างต้นตัณหานั้นย่อมละได้ย่อมดับไปที่เปียรูปสาธรูปนั้นพ้อคอทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปฏทาสัตว์ก็คือมรคนั่นเองนะมรคมร์มีองแปลหมายถึงว่าจำแนกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่เป็น อาเป็นเหตุดับทุกไวแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันอ่าตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียนชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนะตั้งใจมั่นชอบอันนี้ก็หมายถึงว่าในการเจริญ มักมีองค์แปดนั่นเองนะมักมีองค์แปดทีนี้การเจริญสติปัฏฐานนะสามารถที่จะบรรเทาสัญญาสี่ได้นะคือหมายถึงยังไงพู ด, ดง่ายๆก็คือว่าการที่บุคคลได้มาเจริญมหาสติปัฏฐานอยู่เป็นประจำแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาหรือว่ากำจัดกำจัด กิเลสตัณหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ากำจัดสัญญาสี่ประการคือการเจริญกายานุปัฏสนาสติปัฏฐานก็สามารถที่จะกำจัดปัดเป่าหรือบรรเทาสุขสัญญาความสำคัญว่าสวยว่างามเสียได้ข้อสองเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็สามารถที่จะกาจัดปัดเป่าบรรเทาสุขสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นสุขเสียได้ ข้อสามเจริญจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สามารถที่จะกําจัดปัดเปาบรรเทานิจสัญญาความสําคัญในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงข้อที่สีการจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สามารถที่จะกําจัดปัดเปาอัตตสัญญาความสําคัญในของที่ ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนนะข้อหนึ่งความสําคัญในของที่ไม่งามว่างามข้อที่สองความสําคัญในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขข้อที่สามความสําคัญในของที่ไม่อเที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะข้อที่สามความสําคัญในของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนข้อที่สี่ความสําคัญในของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวต э น don. ทีนี้อ า, านิสงส์ของการเจริญมหาสติปัฏฐาน จะตัดถึงอนิสงส์ก็คืออันหนึ่งผู้ใดที่เจริญมหาสติปัฏฐานทั้งสีนั้นตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปจนตลอดถึงเจ็ดปีนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่ามีบุญนะมีบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้มีสติปัญญาบารมีที่ได้สร้างเอาไว้คือตั้งแต่เจ็ดวันไปถึงตลอดเจ็ดปีนะก็จะได้ บรรลุมักผลนิพพานว่างง้นเถอะได้ดวงตาเห็นธรรมย่อมได้รับอานิสงส์ถึงสองประการก็คือหนึ่งย่อมได้มักผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ข้อที่สองก็ย่อมได้พระยบุคลชั้นพระอนาคามีในปัจจุบันนี่นี่หมายถึงว่าการเจริญมหาสติปัฏฐานทีนี้ก็จะย้อนนะจะขอย้อนไปกล่าว ถึงการที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดมหาสติปัฏฐานสูตรนี้แก่ปวงชนชาวกุรุรัตน์ก็เพราะว่าปวงชนชาวกุรุรัตน์เป็นผู้สามารถอาจรองรับพระธรรมเทศนาที่มีอัดอันลึกซึ้งคือมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ได้ความจริงพวกชนชาวกุรุรัตน์เป็นมีทั้งพวกภิสุพิสุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้มีสติปัญญามีร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ขวนขวายประกอบความเพียรเจริญมหาสติปัฏฐานกันอยู่เป็นประจำนะเรียกว่าทั้งแว่นแคว้นทั้งประเทศแต่คนตั้งแต่คนใช้หรือว่ากรรมกรก็พากันเจริญกรรมฐานกล่าวแต่ถ้อยคำที่เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานทั้งนั้นแม้สตรีบางคนก็ถูกเพื่อนถามว่า ล่อนมณาตาิการกรรมฐานข้อไหนถ้าตอบว่าไม่ได้มานาติการเลยสักข้อหนึ่งพวกเพื่อนๆก็จะชวนกันติเตียนและจะสั่งสอนว่าที่หลอนทำอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วก็ให้เรียนสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งถ้าสตีใดตอบว่าไม่ได้มานาติการกรรมฐานข้อโน้นแล้วพวกเพื่อนๆก็จะพากันอ่าโจทย์จันแต่ว่าถ้าบอกว่าได้เจริญข้อนั้นข้อนี้แล้วก็จะพากันอนุโมทนาสาธุการ ความจริงพวกชนชาวกุรุรัตน์นี้ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เจรเินมหาสติปฐานแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานที่อาศัยมนุษย์ก็าพากันเจรินไปด้วยนอันนี้ในในหลักท่านอ้างไว้อย่างนั้นคือท่านบอกว่ามีชายนักฟ้อนรำคนหนึ่งจับลูกนกแขกเต้า จับลูกนกแขกเต้าได้ตัวหนึ่งจึงสอนให้เรียนภาษาคนแล้วก็พาไปในที่ต่างๆคราวหนึ่งเขาไปขอพักอยู่กับนางพิษุณีเวลาไปก็ลืมลูกนกเสียพวกนางอรรมเนรีก็จับนกที่เลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่าพุทธรักษิตะวันหนึ่งพระมหาเทรีเห็นนกจับอยู่ข้างหน้าจึงพูดว่านี่แน่พุทธรักิตะเจ้ามีมณฑสิการอะไรบ้างนกก็ตอบ ตอบว่าไม่มีจึงพูดว่าอันผู้อยู่ในสำนักของบางวชิตจะรู้อัตภาพเปล่าหาสมควรไม่จะอยู่ด้วยอัตภาพเาอัตภาพเราเปล่าไม่สมควรไหมควรปรารถนามนักกิจการอะไรอะไรสักอย่างหนึง่งแต่เจ้าไม่อาจทำอย่างอื่นได้ก็จงทำการสาทยายอัติอัติเทิดนกแขกเต้าพุทธกิจนั้นก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหาเถรี อ่าเที่ยวทําการสาธยายว่าอัติอัติวันหนึ่งอเมื่อ น, นอกพุทธรกิตะกําลังนั่งผิงแดดอ่อนอยู่ที่บนซุ้มประตูแต่เช้าเหยืยวตัวหนึ่งก็เฉียวเอาไปนะเฉี่ยวเอาไปแล้วก็นกแขกเจ้าก็ร้องกิริกิรินะก็คงจะร้องกิกกิ๊กไอเนี่ยอธรรมะเนรีได้ยินเขาก็ร้องว่าพุทธรกิตะอ่าพุทธรกิตะ ถูกเหี่ยวเฉียวไปนะพวกเราจงช่วยกันแล้วต่างคนก็ช่วยสิ่งต่างๆมีก้อนดินก้อนอิดมีดไม้ไดก็แล้วแต่ไล่ตามช่วยให้รอดพ้นมาได้พระเทรีถามนกนั้นว่าเจ้าพุทธรากิจตะเวลาที่เจ้าถูกเหี่ยวเฉียวไปนั้นเจ้าคิดอย่างไรนกตอบว่าาผมไม่ได้คิดอย่างอื่นก็รับคิดแต่กองกระดูกอย่างนี้ว่ากองกระดูกกองกระดูกจกเรี้ยรายในที่ไหนเท่านั้นแหละครับพระมหาเทรีหรือ ประชาชนในที่นั้นก็สาธุสาธุอุทธลกทติจกเป็นปัจจัยแห่งความสุขพบสุนชาติในอนาคตอันนี่ก็เป็นการกล่าวอ้างถึงว่าในแกว้งกุลุนั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะมนุษย์ที่พากาันเจริญมหาสติปัฏฐานแม้แต่นกหรือสัตว์ก็ยังพากันเจริญมหาสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่ความเป็นมนุษย์ของเราหน้าหน้าละอายเหมือนกันนะถ้าไม่เจริญมหาสติปัฏฐานดังนั้นที่พูดถึงมหาสติปัฏฐานมาก็คิดว่า พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้สะดับจับฟังการบรรยายหาสติปัฏฐานสูตรก็จงนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะกอให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร อาวันนี้จะได้พูดในหัวข้อเรื่องว่าคิร리มานนทสูตรประการแรกก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาเข้าใจเรื่องราวของหรือว่าเหตเุที่พระพุทธเจ้าได้ตัดถึงคร리มาณ น, นทสูตรเสียก่อนคือพระสูตรนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเทศนาปรารบพระค리มานน ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าคริมานนทสุซึ่งมีใจความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีอันเป็นพระอารามที่อนาถบินิกะเศรษฐีสร้างไว้ครั้งนั้นพระคีริมานนทสุพระคริมานนอาพาธหนักคือเจ็บป่วยหนักสเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสพระอนนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราพูลเล่า เ, าเหตุการ์ถวายแล้วก็ทูลอัญเชิญให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังที่พระคริมานนพระภูมิมีพระภาคตรัสว่าเราไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเธอไปหาพระคริมานนนแล้วก็แสดงสัญญาจิตการที่เราแสดงให้เธอฟังแค่นี้ก็จะเป็นเหตุให้อาพาธของพระคิริมานนนนั้นสงบระ ง, งับไป ทีนี้ก็ใจความในสัญญาสิบประการที่พระคีมานนท์ได้ฟังนะได้ฟังจากพระอา น, นุนําไปแสดงมีอะไรนะมีอะไรก็จะได้กล่าวในต่อไปก็ปรากฏว่าพระคีมานนท์ได้ฟังสัญญาสิบประการที่พระอา น, นุนได้ไปแสดงแล้วก็เกิดว่าเกิดหายจากความเจ็บปวดป่วยไข้อย่างแรงกล้านั้นฉับพลันทันทีทนะสัญญาสิบประการนั้นก็คือ หนึ่งอนิจจสัญญ า, านีอนิจจสัญญาอานิจจสัญญาก็คือความจำหมายว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้ก็หมายความว่าให้กำหนดความไม่เที่ยงแห่งอุปาทานขันก็คือแนะให้พิสุไปสู่ป่าสู่โคนไม้ สู่เรือนว่างเปล่าแล้วก็พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงหมายความว่าให้พิจารณาอยู่บ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงในแล้วก็ในอุปทานขันห้าเสียในข้อที่สองี่สองก็คืออนัตตสัญญาให้พิจารณาให้เราพิจารณาถึงอายตนะนะอายตนะ ว่าเป็นของไม่เที่ยงน่ะเป็นของไม่ใช่ตัวตนคือท่านแนะว่าให้ปิสุก็ให้พุทธบริษัทนะเข้าไปสู่ป่าแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนในอาญตนะภายในและภายนอกอย่างละหกเนืองหนึ่งในข้อที่สามให้มาพิจารณาให้เจริญอสุภสัญญาคือความจําหมายว่าไม่งามกําหนดความไม่งามในกายาทั้ง โดยอาการสามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดอย่างนะมันมีสามสิบสองแต่ว่าตัดในข้อที่เรียกว่าเนื้อมันสมองนี่ออกไปนะมันสมองนี่ออกไปก็คือให้เจริญญาสัญญาให้พุทธบริษัทได้พิจารนาว่าข้างบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปข้างล่างแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ มีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือว่าเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกอน้ำไข่ข้อน้ำมูดอาการเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่สวยไม่งานข้อที่สี่ก็คือ ให้ข้อที่สี่คืออาทีนวสัญญาความจําหมายว่าเป็นโทษกําหนดด้วยกายนี้มีทุกขมากมีโทษมากเราอาพาทย่อมเกิดขึ้นในกายนี้คือหมายถึงว่าให้พุทธบริษัทได้พิจารณาว่ากายนี้มีทุกขมากนะมีอาพาธเบียดเบียนย่อมเกิดขึ้นในกายนี้เกิดโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกายโรคในศีระโรคในปากโรคในฟันโรคไอขืดหรือว่าหวัดไข้พิษ ไข้ติดโรคในท้องโรคบิดจุกเสียโรคลงรากโรคเลื่อนฝีโรคปลาเคลื่อนลมบ้าหมูหิดตัวหิดด้านปวดหรือว่าพวกโรคดีซ้านโรคเบาหวานหรือว่าปุกคลองโรคฤทธิ์ิตดวงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันเบียดเบียนมีความเจ็บเป็นสมุดฐานความเจ็บมีระการต่างๆนะมีระการต่างๆ มันก็ความเจ็บเหล่านี้ก็ผัดเปลี่ยนเป็นอริยบทไม่สม่ำเสมอนะความเจ็บเกิดแต่ความเพียรกล้าความเจ็บเกิดแต่วิบากของกรรมเย็นร้อนหิวข้าวกระหายน้ำํำปวดอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้ล้วนเป็นโทษของอกายทั้งสิ้นนะกายทั้งสิ้นทีนี้มาในข้อที่ห้าประหาณสัญญาความจําหมายในการละคือละบรรเทานะทำให้ปิ น, นาจทำให้ไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งวิตกทั้งสามก็คือว่าพูดง่าย <c oughs> ก็คือให้ละ <c oughs> ให้ละวิตกทั้งสามนั่นเองคือการมวิตกความตรึกในการอารมณ์พยาบาทวิตกความตรึกในการล้างผลาญวิหิงสาวิตกความตรึกตรองในความเบียดเบียนสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วในการละอากุศลละกรรม บาปทำที่เกิดขึ้นแล้วมาในข้อที่ที่หกก็คือวิราคะสัญญาความจําหมายในธรรมอันต่าจะจากการมราคะคือพิจารณาว่าธรรมธรรมชาตินั้นละเอียดธรรมชาตินั้นประณีตธรรมชาตินั้นคืออทํารรเป็นเครื่องระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นอที่สละคืนของกิเลสทั้งปวง เป็นที่สิ้นแห่งตันหาเป็นที่สิ้นแห่งกำหนัดออกจากตันหาเป็นเครื่องลอยรัทนะอันนี้ก็หมายความว่าให้พุทธบริษัทได้พิจาณาธรรมชาติที่ละเอียดธรรมชาติที่ประณีตคือทำรรที่สงบระ ง, งับสังขารถ้าเราพิจารณาไปก็จะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่สำรอกกิเลสเป็นที่ดับแห่งกิเลสและทุกมาในข้อที่เจ็ดนิโรธสัญญา นะหรือนีิโรธสัญญาเนะี่ะพูดยังไงนี้โรธสัญญาความจําหมายในธรรมที่เป็นเป็นที่ดับนะเป็นที่ดับอันนี้ก็ ค, คล้ายๆกับในข้อหกเหมือนกันคือหมายความว่าให้เราพุทธบริษัทได้พิจารณาว่าอาธรรมชาติที่ละเอียดธรรมชาติที่ประณีตคือทำเป็นที่สงบระ ง, งับแห่งสังขารทุกอย่างทั้งปวงเป็นที่ส่งคืนอุปธิทั้งตวงคือกิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่น เป็นที่สิ้นไปแห่งกันหาเป็นที่ดับกิเลสและทุกมาในข้อที่แปดสัพพะโลเก อ, อนะพิทตสัญญาหมายความว่าความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงคืออเป็นอุบายเป็นเหตุถือมั่นในโลกเสียหมายความว่าให้พุทธบริษัทเนะ่ยพิจารณาอุบายเป็นเหตุถือมั่นอทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกที่มีความถือมั่นด้วย จิตเป็นอนุสัยก็ให้ละอุบายเป็นเหตุถือมั่นเหล่านั้นเสียงดเว้นเสียอย่าเข้าไปยึดถือเพราะสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจรั ง, ย, งยั่งยืนมาในข้อที่เก้าสัรพสังขารเรศอันอันนีจะสัญญาความจำหมายโดยความไม่ปรารถนาในสังขารทั้งปวงคือเบื่อหน่ายเกลียดชังในสังขาร ท, ทั้งหลายก็หมายความว่า ให้เราพุทธบริษัทให้ให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อนหน่ายเอือมระอาเกลียดทั้งสังขารทั้งปวงอย่าไปยินดีนะอย่าไปยินดีข้อที่สิบก็คืออาณาปานสติคือให้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ท่านแสดงไว้ถึงสีนะห่หมวดนะสี่หมวดหมวดละสี่อย่างรวมเป็นสิบหกอย่างนะรวมเป็นสิบหกอย่างคือหมายหมายความว่า อในหมวดกายนะในหมวดกายก็ให้เรากําหนดลมหายใจเข้าออกนะหายใจหายใจออกหายใจเข้านะพูดง่ายๆคือว่เมื่อหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นแล้วก็ย่อม มีความสำนึกว่าเราเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมกำหนดรู้ว่าเราเป็นผู้รู้ตลอดกองลมหายใจเข้าออกอย่อมมีความสำนึกว่าเราจักเป็นผู้ระ ง, งับกายสังขารหายใจออกย่อมสำนึกว่าเราจักเป็นผู้ระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้าทั้งสี่หมวดนี้กล่าวโดยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมาในต่อไปก็คือย่อมสํานึกว่าพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ปีติหายใจเข้าออกหายใจออกย่อมพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้สุขหายใจออกย่อมพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้รู้สุขหายใจเข้า ย่อมพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมพิจารณาว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าย่อมพิจารณาว่าเราจากักระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมพิจารณาว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้าการพิจารณาในลักษณะสีอย่างนี้กล่าวโดวยเวทน า, า, านุปัฏนาสติปัฏฐานในหมวดอื่นๆก็ในทํานองเดียวกัน ในทำนองเดียวกันนี่ว่าเป็นแนวแนวแน ว, แนวทางอาทีนี้เมื่อพระอานนท์ได้ได้สดับพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้จัดถึงสัญญาสิบประการจากพระพูทมีพระภาคแล้วก็จึงนําเอาเอาเอาคิรีมานุนทสูตรหรือว่าสัญญาสิบประการนี้ไปแสดงแก่พระคิรีมานนทสูตรคีรีมานนท เมื่อพระกรีมาโน์ได้สดับแล้วก็หายจากอภิพาตทันทีเพราะเหตุได้ฟังสัญญาสิบประการนะสิบประการในสัญญาสิบประการนี้อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอาทีนววสัญญาวิดาคาสัญญานิโรธสัญญาอาณาปานสติท่านผู้บำเพ็ญต้องไปบำเพ็ญที่ป่าที่โคนไม้หรือที่เรือนว่างเปล่าปราจจากผู้คนส่วนสัญญานอกนี้ ไม่จํากัดสถานที่จะบําเพ็ญที่ไหนก็ได้ไม่กะเกณฑ์เอาไว้ถือเอาความสะดวกเป็นสําคัญเป็นสําคัญทีนี้อาการที่ที่แนะให้ไปทําในป่านะที่แนะให้ไปทําในป่าหรือว่าในโคนไม้หรือว่าเรือนว่างเปล่านั้นก็ย่อมเพียเห็นว่าเป็นการทําให้เกิดกายวิเวกคือความสงัดกายย่อมเป็นอุปการะในการ ในเป็นสําคัญในในการเจริญกรรมฐานเมื่อกายสังัดแล้วก็ย่อมเป็นมูลรากช่วยให้จิตใจสังัดเมื่อจิตใจสังัดแล้วก็อทําให้เราเรียกว่าเป็นจิตสวิเวก็ทําช่วยให้เกิดอุปธิสวีเวก็คือกิเลสสงบระงับไปนะกิเลสสงบระงับไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในพระธีมานนทสูตรนี้ที่เป็นพระพิสุนั้นก็ปรุงทำความเข้าใจว่าสัญญาสิบประการนี้เป็นหน้าที่ที่พระพิสุจะปรุงปฏิบัติโดยตรงแต่ท่านก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะพระพิสุเท่านั้นก็ให้พุทธบริษัทด้วยพิสุพิษุนีวาศกวาสิกาต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์นเพื่อเป็นประโยชน์ทีนี้ในสัญญาสิบประการ บางเหตุก็ชวนให้สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเฉพาะเจาะจงแสดงสัญญาสิทตรการแก่ผู้เป็นไข้ถ้าจะทรงแสดงทำประเภทอื่นๆบ้างมิได้หรือนะความจริงก็ไม่เฉพาะแต่สัญญาสิทธิการเท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ผู้เป็นไข้ถึงทำอย่างอื่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมาแล้วก็มีเช่นโปรชงเจ็ด พระองค์ก็แสดงมาแล้วแก่พระมหาแก่พระกัสสปะและมหาโมคคัลลานะข้อนี้จึงเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงจํากัดธรรมที่ทรงแสดงแก่ผู้เป็นไขว่าจะต้องเป็นเฉพาะสัญญาสิประการหรือว่าทำชื่ออื่นเท่านั้นถึงทำอื่นก็อแสดงได้แต่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่ใครย่อมไขควรดูอุปนิสัยของผู้รับเทศนาเซก็แล้วจึงทรงแสดงธรรมให้ หมาะแก่อุปนิสัยของเขาเช่นแสดงทรรแก่พวกช ด, ดินสามพี่น้องซึ่งมีอุปสัยอุปนิสัยหนักไปในทางเส้นสวงบูชาไฟพระองค์ก็แสดงอาทิตต์ประยายสุจึงได้ตรัสรู้ได้ง่ายเรียกว่ารู้นิสัยรู้ใจว่างนั้นเถอะถ้าหากพระองค์เฉิมทรงแสดงโปรดโดยฝืนต่ออุปนิสัยแล้วก็ยากที่จะบันดาลให้อนุษย์หรือว่าสัตว์เหล่านั้นได้สําเร็จมรรคผล อนนี้ผ่านได้ความจริงการเจริญพุทธมนต์ให้คนไข้ฟังนั้นย่อมจํากัดพระสูตรอะไรข้อสำคไม่ไม่ไ ม, ไม่จํากัดแต่ว่าพระสูตรไหนหรือว่าสุตอะไรข้อสําคัญต้องดูการของของคนไข้เป็นสําคัญจะเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณก็ได้แล้วแต่โอกาสจะอํานวยใหนะ้แล้วแต่โอกาสจะอํานวยให้ข้อสัญญาสิ ป, ประการในคริมานนทสูตรนั้น <c oughs> เป็นโอกาส นะเป็นโอสถกําจัดอาพาธได้อย่างไรนะปัญหาข้อนี้ก็ควรคิดและก็ควรได้รับการพิจารณาการอาพาธที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าข้อที่ท่าทั้งสี่หรือว่าทั้งหกบีบคั้นเบียดเบียนอยู่กายและใจเป็นอุปาทานขันเป็นอุปาทานขันมีความยึดมั่นถือมั่นปัญจะขันอยู่นั้นเมื่อทําสัญญาก็กําหนดหมายตามอาการทั้งสิบนี้แต่และอย่างละอย่าง ล้วนเป็นอุบายละวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในปันเจขาดและสังขารทั้งปวงโดยความเป็นโดยความเห็นเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มิีไม่มีตัวไม่มีตนไม่งามเป็นโทษนะและหมายในการละไม่ติดใจทําความหมายในการดับขันหรือว่าสังขาร น, นั้นๆไม่ยินดีไม่ปรารถนามีสติกําหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เมื่อลม เดินอ่อนเป็นปกติธาตุดินน้ำไฟอากาศวิญญาณย่อมเป็นไปปกติส ม, ม่ำเสมอไม่บีบคันไม่เบียดเบียนก็จึงหายอากาศนะจึงหายอาพาศฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาแห่งครี ม, มานนทสุนะแต่ว่าให้สังเกตดูแม้แต่ในปัจจุบันนี้เหมือนกันเวลาจะเป็นในชนบทหรือว่าในเมืองก็มีการนิมนต์ พระไปเจริญพระคิรีมานนทสูตรเพื่อให้คนไข้ฟังก็โดยโดยเอาหลักเอาหลักของเดิมมานั่นเองแต่ว่าไม่ได้พิจารณาในหลักของเดิมคือในสมัยพุทธกาลนั้นเวลาแสดงแล้วก็ที่พระพุทธองค์ได้แสดงสัญญาสิ ป, ประการนี้แสดงโดยที่เรียกว่ารู้วารลจิตของอพระคิรีมานนเมื่อพระคิรีมานนได้ฟังแล้วก็เกิด ได้พิจารณาไปตามสัญญาจิตการก็เป็นทําให้หายอาพาธได้แต่ว่าในคนเดียวนี้ไม่รู้ภาษาพระนะไม่รู้ภาษาของพระอย่างหนึ่งฉะนั้นจะสวดสักเท่าไหร่ก็ยากนะขอประตานโทษที่ต้องพูดคํานี้คงจะไม่บรรลุแน่นะดีไม่ดีไปฟังท้าสวดก็พาพาหัวใจวายไปเลยก็ได้นะพาหัวใจวายไปเลยนึกว่าเอ๊ะนี่เรายังไม่ทันจะตายเลยพระมาสวดซะแล้วนะอาจจะนึกไปงั้นเลยก็ได้ นะแต่ถ้าหากว่าเราไปเทศนะไปเทศเป็นการขยายาบทสัญญาสิประการให้ฟังอันนี้ยังมีโอกาสที่จะทําให้หายได้หรือทําให้เกิดสติได้อถ้าหากว่าถูกกับจริตถูกกับนิสัยของผู้ป่วยนะนี่ข้อนี้เราไม่ค่อยได้คิดกันฉะนั้นเราก็มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาไปสวดกันอยู่เรื่อยในสวดคริมานนทกับผู้ป่วยบางทีคนป่วยนั้นก็ตาสีตาสามไม่ดูเรื่องอะไรเนี่ย ฉะนั้นประโยชน์จึงไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ซึ่งจะสืบท อ, อดพพุทธศาสน า, าต่อไปก็ควรจะพูดหรือทำอะไรแสดงอะไรให้เกิดสติปัญญานะอย่าไปคิดแต่มอมเมาประชาชนให้มืดมิดยิ่งไปอีกนะอันนั้นไม่ไม่เกิดผลประโยชน์ฉะนั้นอาการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอคีมานนทสูตรก็จบลงเพียงเท่านี้นะ ฉะนั้นต่อไปก็จะตั้งเป็นปัญหานะเป็นคำหาถามตอบย้อนไปถึงมหาสติปัฏฐานด้วยนะย้อนไปถึงมหาสติปัฏฐานด้วยปลไปกับนะครีมานนทสูตรฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้ตั้งใจฟังก็จะเกิดประโยชน์มากนะเกิดประโยชน์มากอย่างในข้อที่หนึ่งบอกว่า ในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าในการาใจความของผู้บำเพ็ญสติปัฏฐานนะต้องพรั่งพร้อมด้วยองค์สมบัติส่วนเจตสิกธรรมประการหลาบ้างจึงจะนำอภิชาโทมนัสออกไปได้อันนี้เราก็ตอบว่าต้องพรั่งพร้อมด้วยองค์สมบัติสามประการคืออาตาปีมีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนหนึ่ง สสัมปชัญชโนรู้ทั่วพร้อมหนึ่งสามสติมามีสติหนึ่งจึงนำอภิชาโทมนัตออกเสียได้หรือถ้าจะถามว่าสติปัฏฐานทั้งสี่มีประเภทหัวข้อแห่งการบำเพ็ญอย่างละเท่าใดโดยพิสดานจงบอกจำนวน อันนี้เราก็ตอบว่ากายานุปัสสนามีสิบสี่อย่างเวทนานุปัสสนามี 10, มีเก้าอย่างอิตานุปัสสนามีสิบหกอย่างธรรมานุปัสสนามีห้าอย่างรวมเป็นสี่สิบสี่อย่างถ้าจะพูดก็คือข้อนั่นเองเนะกายานุปัสสนามีสิบห้าข้อเวทนานุปัสสนามีเก้าข้อจิตานุปัสสนามีสิบหกข้อธรรมานุปัสสนามีห้าข้อหรือจะถามว่าอารมณ์แห่งอาสติปัปฐานทั้งสี่อย่างไหนเป็นคู่ปรับกับจริตสองอย่าง สองอย่างไหนและเป็นคู่ปรับกับวิปัสสนาสี่อย่างอันนี้เราก็ตอบว่ากายานุปัสนาเป็นคู่ปรับกับตัณหาจริตอย่างยากอาสุภสัญญาอาสุภสัญญาเวทนานุปัสนาเป็นคู่ปรับกับทิฏฐจริตอย่างละเอียดและอนัตตสัญญาหรือถ้าจะถามว่าในอานาปานสติในคิริมาณ น, นทสุ แสดงวิธีพิจารณาลมหายใจสงเคราะห์เข้าในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่บรรยายเป็นตอนๆโดยลําดับอย่างไรอันนี้ก็ตอบว่าท่านบรรยายเป็นตอนๆ อ, อย่างละห้าหมวดตั้งแต่ทีคังวาอัตสันโตถึงปัจสัมพยังกายสังขารังนี่เป็นกายานุปัสนาตั้งแต่ปีติปติสังเวทีถึง ปัตสัมพยังจิตตะสังขารังนี้เป็นเวทนานุปัสนาตั้งแต่อนิจานุปัสสีถึงปฏินิจคานุปัสสีเป็นธรรมานุปัสนาหรือถ้าจะถามว่าในในการที่เราจะพิจรารณาถึงนวสี านวาวสีวัตถิกาปรับพระแห่งกายานุปัสนาสอนให้พิจารณาอย่างไรและเป็นอุบายกำจัดวิปลาสข้อไหนโดยตรงแสดงพลได้ใจความอันนี้เราก็าแก่ว่าสอนให้พิจารณาอสุภะเก้าอย่างคือคนตายวันหนึ่งสองวันสามวันขึ้นพองมีสีเขียวมีสีเขียวมีหนองไหลหรือว่าซากศพมีสัตว์มีสุนัข กัดเคี้ยวกินศพที่สอมแล้วก็ยังมีเลือดอเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ศพที่สอมหมดแล้วเหลือแต่เนื้อเลือดแห้งกรังเส้นเอ็นรัดรึงอยู่ซากศพที่มีกระดูกหลุดเลี่ยราดซากศพที่มีกระดูกขาวหลุด ด, ล ด, ดังสัง ห, นะหรือว่าซากศพที่มีกระดูกเลี่ยราดถูกฝนแดดจนมีเห็ดราขึ้นนะหรือว่าศพที่มีกระดูกปุกพังพลละเอียด อันนี้ก็ให้เราทําความสําคัญว่าไอ้ของที่มันสวยงามมันก็หมายถึงว่าไอ้สุภะสัญญาความสําคัญว่าสวยงามก็เป็นสัญญาวิปลาสเมื่อพิจารณาอสุพะกําหนดโดยสีโดยเพศโดยสันฐานโดยทิศโดยที่ตั้งก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแน่ชัดกําจัดวิปล า, ขออาสาาข้ออสุพะเสียได้ข้อสุพะเสียได้ข้อเห็นว่าสวยงามเสียได้ ทีนี้ถ้ามีปัญหาถามว่าวิธีพิจารณาโพชดชงเจ็ดประการในธรรมานุปัสสนานั้นท่านให้พิจารณาด้วยอาการอย่างไรบ้างอันนี้เราก็แก้ว่าท่านให้พิจารณาด้วยอาการอย่างนี้คือสติสัมโพธชงเป็นต้นหนึ่งเมื่ออยู่ณที่ใดเมื่ออยู่ณภายในก็รู้ว่าอยู่ณภายในสองเมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มีสามเมื่อยังไม่เกิดก็ เกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นเมื่อเกิดมีเจริญสมบูรณ์ขึ้นด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นเป็นสี่ดังนี้หรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าวิราคสัญญากับนิโรธสัญญาในคิริมาโ น, นทสูตรหมายความต่างกันอย่างไรอธิบายพอได้ใจความอันนี้เราก็แก้ว่าหมายความต่างกันคือวิราคะประสงค์เอาอริยมรรค อันนี้รอดประสงค์เอาอรยผลหมายความทํากิจต่างกันต่างหน้าที่นะต่างกันต่างหน้าที่ยานคือความรู้เป็นเหตุละกิเลสได้เด็ดขาดเรียกว่ามักมักนั้นจําแนกเป็นสี่ด้วยอํานาจกําจัดกิเลสแต่เพียงเอกเทศบ้างสิ้นเชิงบ้างธรรมารมอันสืบเนื่องมาแต่มักสเสวยกําไรที่มักได้ทําไว้นั้นเรียกว่าผล ผลมีความหมายต่างกันดังนี้หรือมอีปัญหาถามว่าสติปัฏฐานต่างโดยอารมณ์เป็นสี่นั้นถ้าจะเรียกเป็นกรรมฐานสองอก็ได้ไม่ใช่หรือแล้วก็จะเรียกอย่างไรเราก็ตอบว่าเรียกได้เรียกว่ารูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐาน หรือต่ะถามว่าท่านกล่าวว่าสติปัฏฐานที่ต่างโดยอารมณ์เป็นสีก็เพื่อเป็นคู่ปรับกับวิปลาส4ีแต่นิเทศแห่งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานให้พิจารณาเวทนาอันเป็นสุขที่ได้เสวยนั้นมิเป็นการยังสัญญาเป็นต้นให้เห็นปัญจขันธ์เป็นที่สุดเสียดอกหรือเราก็แก้ว่า หาเป็นการยั่วยวนสัญญาเป็นต้นให้วิปลาสไม่เพราะการตั้งสติพิจนาท่านให้เห็นว่าสุขขาปิเวทนาอานิจจาสังคตาปฏิจจสมุปป น, นาคยธรรมมาวิราคธรรมานิโรธธรรมาหรือถ้าจะมีคำถามว่า ในในสัมปชัชญะปัะพระที่ว่าเธอย่อมเป็นผู้ทําสัมปชัชญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและความเป็นผู้นิ่งอยู่นั้นจงอธิบายเห็นว่าในการหลับนั้นจะทําสัมปัญญะได้อย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าสัมปชัญญะเป็นคู่กับสติมีอาการสืบเนื่องกันหากไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่มี ในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงเรื่องสติจึงแสดงถึงสัมปชัญญะด้วยถ้ามีสติอยู่บัดนี้เราจะหลับขณะที่จะหลับก็ย่อมรู้ตัวได้ว่าอาการหลับเป็นอย่างไรข้อข้อนี้แม้จะเห็นว่าไม่น่าจะทำได้สำหรับปุถุชนผู้มีสติไม่ภบูบณ์ก็ยกไว้แต่พระอเยเจ้าผู้มีสติภัยบุญย่อมทำได้แน่เพราะท่านย่อมรู้เบญจขันธ์โดยอาการที่ตั้งอยู่อย่างไร การหลับก็คือการที่เบญจขันหยุบพักไม่ทำหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้นการหลับเป็นการเป็นการหลับเป็นส่วนของขันแต่พระเจ้าไม่หลับจึงทำสติสัมปชัญญะในขันที่กำลังหลับได้่หรือถ้าจะมีปัญหาถามว่า สัญญาสิบในคริมานนทสูตรข้อไหนมาแสดงสักข้อให้ยกมาแสดงสักข้อหนึ่งนะยกมาแสดงสักข้อหนึ่งให้ยกมาแสดงสักข้อหนึ่งให้เห็นว่าเหมาะเป็นเหตุให้ถอนวิปัสสนาในข้อที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขได้อันนี้เราก็ยกมาดูสัญญาสิบในคติมานนทสูตรก็คือข้อที่เหมาะที่สุดเป็นเหตุให้ถอนวิปัสสนา ในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขก็คือข้อที่สี่อาทีนวะสัญญาในข้อนี้มีเนื้อความโดยย่อว่าพิสุย่อมพิจารณาอย่างนี้กายอันนี้แลมีทุกขมากมีโทษมากเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมถอนวิปราสนาข้อนั้นได้เอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาครีมานมทสุตก็ดีมาสติปัฏฐานสุตโต ด, ดีทั้งแบบถามตอบก็พอสมควรกับเวลาและในการบรรยายหลักสูตรในนักธรรมเอกก็ จบลงเก่งเท่านี้ในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในการศึกษาเล่าเรียนในการฟังการบรรยายเทปเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรนักธรรมปรีโทเอสมาขอให้หาหมดทุกโรคโรคภัยมีความประสงค์จําลองหมายสิงหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนานั้นจงสําเร็จทุกาการขอเจริญพร